นนี้กับวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2550ตรงกว่วันทิบส่ครับเดือนเกก็ผ่านไปเรื่อ ย, อยวันคืนล่วงวันคืนล่วงไปล่วงไปบันนี้เราทำอะไรอยู่ถ้าเราประมาทให้วันเวลาหมดไปไม่ทำอะไรที่เป็นประโยชน์ เวลาโมกินเราเหมือนยักตัวถังแตเวลาย่อมคืนสับประจิ่งกับทั้งคิดกับทั้งตัวมันเดงหมดไปหมดไปเราจึงอยากให้เวลามันคืนเราได้เราโมกืนเวลามาเจริญสติกันเจริญสติไปในใจเจริญสติไปในใจกายกับใจกับสติ เข้ากันดีดี น, น้ําากับน้ําถ้าใจกับกายกับความชั่วความทุกขเข้ากันมากคดีหรอกการชีกรใจไปเป็นปัญหาบุคคลที่1บุคคลที่2บุคคลที่สามไปถ้าสติกับกายกับใจเนี้ยเป็นของที่เข้ากันได้เราก็ต้องหัดบ้าง ถ้าเราไม่หัดเนี่ยมันก็จะใช่ไม่ได้เลยกลายใจเรามแต่เอามาลงโทษตัวเราคิดแบบกระตอดตัวเองให้เยียบปวดพูดไปก็ทำไมเกิดปัญหาคิดไปก็เกิดเปิดปัญหาทำไปก็เกิดปัญหาใชชีวิตโดยที่ไม่ค่อยถูกต้องพุ่มเพื่อพวงเพื่อย เป็นบริโภคนิยมกันวัตถุกันมากถ้าเรา ม, มีสติจมันจะพอดีพอดีพอดีพอ ด, พอ ด, พอ ด, พอดีการใช้ชีวิตไม่สิ้นเปืองชีวิตเราก็ไม่สิ้นเปืองพลังงานแต่เราไม่มีสติมันสิ้นเปืองพลังงานเด็กกับฟูฟูเด็กกับแฝ ด, ด, ด, ดไม่ไม่เอาปะ พลังงานมาเป็นประโยชน์กับการบรรลุธรรมเอาพลังงานที่มีโทษไม่ใช่บางทีใช่กับตัวเองไะพอใช่กับคนอื่นเราความหนุ่มความสาวของเรานะ่มาสร้างาหลักฐานอาริยภพภายในคีวิติีใจของเรา ให้มันพึ่งได้เป็นอะมาตะเป็นชีวิตอามาตะก า, ายใจเนี่ยถ้าเราไม่สอนมันก็ถ้าเราไม่พัดก็เป็นชีวิตที่ร่มเหลวร่มเหลวแม้เราจะสำเร็จตัวอื่นก็ตามเหมือก็เราสร้างบ้านหลังดีๆเอาไฟไปจุดมันก็ไหม้หมดเลย ความทุกต้องหลายเราทำดีเราทำอะไรก็ตามถ้าเราทำดีเราไปชั่วไปทุกข์นิดหน่อยก็ไม่ไปแล้วความดีก็ก่อต่อกอตัวขึ้นใหม่ถ้ามาสร้างความรู้สึกตัวว่ามาันจะมั่งมาตรฐานของชีวิตชีวิตมันมีอาตรฐานเหมือ น, นกับวัตถุสิ่งของที่มันได้มั่งมาตรฐานมันก็เข้ากันได้ เป็นไฟฟ้าเนี่ยไฟฟ้าลมเริมไงเนี่ยไม่มาสถานของเขาเขาก็เจ็บเสียงหน้าที่มันเจ็บเสียงหน้าที่ของเขา mm. กายใจของเราเนี่ยถ้ามันซับซึมเมาเหมือนคอมพิวเตอร์เจ็บข้อมูลเราเราให้ข้อมูลใจชีวิตเราอันดีๆเข้าไปให้ความรู้จึตตัวให้สติให้สมบัตญยะเข้าไป กายใจเราก็เจ็บได้ข้อมูลดีด mm hmm. เหมือนเราเจ็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์ mm hmm. เมื่อเราไปกดมันก็แสดงออกมา mm hmm. เรื่องดีขังสอนคังเทศอะไรต่างๆได้ดี mm hmm. ถ้าเราให้ข้อมูลไม่ดีก็ mm hmm. เป็น mm hmm. เหมือนเราถ่ายภาพไม่ดีน mm hmm. ั่นเป็นเลน mm hmm. เจ็บเลนไว เลนไปนติดเอาภาพไม่ดีก็มองภาพอะไรไม่ดีออกหน้าออกตาไปเราจึงมาช่วยกันมาชวนกันไม่เป็นหมันดอกการเจริญสตินะีฮไม่เป็นหมันเลยจะเป็นคนชาติใดภาษาใดลทัทธิใดวัยใดเพศใดอันเดียวกันความรู้สึกตัว ว่าแต่เราทําให้มีทําไมมากลองดูมันจะเป็นดงอันเหนือ่อยกายใจของเราถ้าเรามีสติเข้าไปจะห้ยเตียนหนวกเตียนหนวกเตี้ยนหนวกอันความชั่วมันก็อยู่ไม่ได้ถ้ามีสติเหมือนเราถางป่าหรือเราโกนผมสมัยก่อนเด็กน้อยเป็นเหาวิธีการรักษาเหา่าสมัยก่อนก็โกนหัวทิ้งไปเลย ผมอยู่เลยเขาไม่มีที่อยู่มันนี้ไปเลยนะเพราะมันไม่ใช่หัวใช่ชีวิตเราเันความชั่วที่มันเกิดขึ้นกับใจเราดึกว่าเรามันไม่ใช่มันเป็นความป่าเถื่อนที่มันเกิดขึ้นกับเรามาศัยกายอาศัยใจเราอยู่เป็นเราโกรธเราดึกว่าเราโกรธนั่นไม่ใช่ เราทุกข์ก็นึงว่าเราทุกข์มันไม่ใช่เลยอันความทุกข์ของกวดไม่ใช่กายไม่ใช่จิตเป็นอารมณ์เป็นอาการที่มันเกิดกับนมาเกิดใจเราเราก็ได้ปัญญาถ้าเรามีสติมันได้คําตอบพอเห็นน่ะมันก็พ้นแล้วถ้าเป็นเราไม่พ้นนะแต่เป็นทุกข์ก็ไม่พ้นทุกข์หรอกถ้าเห็นมันทุกขนะ์น่ะมีทางพ้นได้ ไทยมันโกรธก็ไม่ทางพ้นจากความโกรธไทยมันทุกข์ก็ไม่ทางพ้นจากความทุกข์ได้จึงมาดูตัวเองดูแลตัวเองเหมือนอาจารย์อาจารย์พูดบอกพวกเราการปฏิบัติธรรมคือมาดูแลตัวเองให้มันคุ้มจะปล่อยปละละเลยกลางคืนเป็นควันกลางวันเดินเด่วไหลไปนะนี่หลรงพวกไม่สอนไม่บอกอาจารย์พระอาจารย์ก็สอนนันอยู่ หลวงพ่อก็เป็นส่วนหนึ่งอยากมีเราร่วมกับพวกเราในการทำสติเนี้เพราะว่าเห็นหลวงพ่อเทียนสอนเราหลวงพ่อเทียนสอนเราให้เราเมีสติอายุตั้งครึ่งคนเราสามสิบปียี่สิบกว่าปีสามสิบปีจึงมาลู่ว่าสติมันคืออะไรแล้วเมื่อมีสติไปไมาเห็นลูปเห็นน้ำโอ้ย มีนะคนมาสอนเนี่ยเรามารู้จากตัวเองแบบนี้มีใครไม่เคยเห็นเ่ยพ่อก็ไม่สอนแม่ก็ไม่สอนมีหลวงพ่อเทียนเนี่ยสอนเราเราก็อยากสอนกน็ด่นให้เหมือนหลวงพ่อเทียนสอนเราจึงอ่าเป็นงานหลักของเรางานอื่นอาจจะเป็นอาติเละงานหลักของเราจึิงคือการเรนสติน เราขอมีส่วนร่วมกับเรื่องนี้กันมันจะอยู่ใน ห, ใหัวใจของเราทําให้เราลูกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ลูกบุญรูกบาบลูกบุญทําบุญได้รูกบาบละบาบได้ลูกศาสนาลูกพุทธาศาสนาอันถูกต้องไม่บ้าหอบฟงังเอ า, าศาสนาไปใช้เป็นประโยชน์ทั้งภมนี้และภพหน้าแม้แต่การเจ็บไข้ได้ป่วยเออ อะไรก็ตามที่มันเป็นธรรมาชาติอยู่กับรูปนะมันก็จะได้ปัญญาเช่นความไม่เที่ยงก็ได้ปัญญาความเป็นทุกข์ก็ได้ปัญญาความไม่ใช่ตัวตวนก็ได้ปัญญาแต่ความความไม่เที่ยงหมายความเป็นทุกข์เราเคยทุกข์เคยเสียใจเพราะความไม่เที่ยงมามากแล้วเราเคยเป็นทุกข์ความเป็นทุกข์ก็มามากแล้วแทนที่จะเป็นปัญญา เราเคยเป็นทุกข์ประามไม่ใช่ตัวตนไม่มามากแล้วบางทีเขาไม่ใจก็พึ่งใจไม่ได้ไม่รู้ว่จะเป็นยจงไงเออไปพึ่งคนอื่นเอาชีวิตไปพ้อยไปเขียนไว้กับคนอื่นก็ยิ่งไปกันใหญ่อกหากเสียอ ก, กเสียใจเราต้องพึ่งความดีพึ่งสติสรรมชาติที่มันเป็นกุศลธรรมที่มันเป็นอมะตะที่มันเป็นสัจธรรมในชีวิตเรา อันนี้ก็ยืนหยัดก็ท่าทางสบายมากผูพ้พูดก็สบายผู้ทำก็สบายไม่ต้อ ง, งบังคับขับใสเวลานี้เรายกมือช่างอย่างไเรารู้ไหมว่ามือเราเคลื่อนไว้อยู่ถ้าเรารู้ว่ามือเราเคลื่อนไหวอยู่ใครรู้ล่ะก็เรารู้เองแต่รู้อยู่มันเป็นยังไงมันก็ไปหลงถ้ามันหลงเป็นไงลมันก็ต่างกันอยู่กับความรู้ มันต่างกันอะความรู้กับความหลงความโกรธความม่โกรธก็ต่างกันความทุกข์กับความไม่ทุกข์ก็ต่างกันมันก็ให้คําตอบให้สัจจะต่อเราเลู่จากเลือกหรือเปล่าฮไม่เอาความหลงอ๋อมีแต่ความรู้เข้าไปถ้าวันโกรธก็เวเอาหลงความโกรธความไม่โกรธถูกต้องความทุกข์ก็ไม่ใช่ความไม่ทุกข์ถูกต้องใครบอกไม่มีใครบอกเราเห็นแล้วเราเห็นเอง เราเห็นเราพบเห็นไม่ใช่คิดเห็นอย่างเนี้ยของจริงต้องเป็นอย่างนี้ถ้าไปถามอยู่มันไม่ใช่ของจริงคนอื่นตอบให้บุญคืออะไรคนอื่นก็ต่อตให้ไ ด, บดออ้บุญคือใจดีเออบุญคือใจดีเนาะหลวงพอวัดป่าสุโกโตอาจารย์อจารยตอบห้แล้วเอาไปพูดเลยบุญคือใจดีบาปคืออะไรบาปคือใจลายฮะบาปคือใจลาย แต่เรารู้ตอบได้ว่าบุญใจดีบาปใจร้ายแต่ถ้าเรายังใจร้ายอยู่ก็ไม่รู้เหมือนกันเป็นการจําเอาไปพูดเราก็รู้เหมือนกันหล่ะอยู่เนี่ยไม่มีใครเป็นรู้หรอกความทุกข์มันไม่ดีไม่มีใครตอบว่าความทุกข์มันดีแต่ทํำไมเราจึงทุกข์ความโกรธมันไม่ดีแต่ทำไมเราจึงโกรธรู้ว่ามันไม่ดีอยู่อันนี้มันรู้มันไม่ใช่เห็นแล้วมสอนตัวเองสอนให้เกิดการเปลีน การเจริญชตินี่โอ้ยอ่าวงพ่อจากล่องอยู่วันกาน่มันก็ล่องไม่ได้นี่ก็หมดสภาพไปแล้ ว, ลวมาก็จะมาทาวัดอ่าร่วมกันกระหมูสงทรลลาแล้วก็อุ่นใจอุ่นใจที่นี่ก็มีเจ้าวาดอาจารย์สารนีพระเพื่อนสร้างทรมเมฆมีแต่รูปดีดีวดเข้าวนใหม่ก็ดีทั้งนั้น าแล้วช่วยกันจริงๆบางคนเข้าวเแลลวเนี่ยสากลเลมอนฟ้ามาอยากได้เ อ, อ่อซีดีเลยอากได้ซีดีทางพิสานขอได้ไหมจะเผยแพร่จะซื้อได้ที่ไหนน้าก็ได้เพราะเราเ็นเพิ่มกันจริงแล้วก็ มาพูดได้ปีนี้แหละปีการก็ไม่พูดอะไรเลยนอนเวลาเนี่ก็นอนเฉน ย, บ, ฉยบอยู่โรงพยาบาลจุลามาจามาศาก็เนี่ยจามาศาหลังช่องเดินสิงหาเพ่งเนี่ยพรรษาหลังไปออกเดินสิบสองนะพรรษามีสองพันษาพรรษาหน้าขึ้นสิบห้าขเดินแปดเป็นการอธิษฐาน ถ้าแลมหนึ่งค่ำเป็นการเข้าวันเสาเดือนแปด้นจา้าค่ำเดือนเก้าก็อธิษฐานแลมหนึ่งค่ำเป็นวันเข้าวันจันนับไปได้ไตมหัศสามเดือนนี่เราก็ผ่านมาแล้วเลยครึ่งหนึ่งครึ่งทางแล้วเดือนกั ว, ออวนนะแล้วเลออีกไม่จีวันแล้วแต่ว่าไม่ใช่รีดตัวเองนะให้ถือว่ายาประมาท ท่านเองการไม่ประมาทคือทำไรมีสติไม่ใช่กลัวไม่ใช่คิดจนสัน่นจนกังวลไม่ใช่เพราะไม่ประมาทคือสบายมีสติรู้สึกตัวรู้สึกตัวเนี่ยเงือไม่ออกมันกับเราทำงานทองานะเอา้าพิสูจได้เลยพวกเราเป็นสากลอยู่ที่ไหนก็รู้ได้ ไม่มีการไม่มีเวลาไม่เลือกสถานที่เป็นปัจจัตังรู้เองเห็นเองผู้ปฏิบัติลอ่อมยุ่งิ่งเห็นจริงในธรรมที่คนรู้คนเห็นตามควรแจกผู้ปฏิบัติถ้าปฏิบัติให้ควรรู้หลงบล่อยความหลงชั่วโมงหนึ่งเอาหลงก็ไปจินแล้วสี่สิบนาทีสี่สิบวินาที สี่สิบนาทีรูบ้างก็ยี่สิบนาทียี่ยี่สิบวินาทีมันไม่สมดุลกันเมื่อความลงมันมากมันก็ไม่ได้คำตอบเราเราต้องสร้างตัวหลงตัวรู้เนี่ยไม่ต้องไปคิดหาเหตุหาผลน่ดไห น, หน้าที่เราคือสร้างตัวรู้เนี่ยเอาไปเลยทุกคนเดินหน่อยด้วยํำแข้งของตัวเรา ไม่ต้องไปเพิ่งใครการปฏิบัติธรรมนะเพิ่งลำแช่งตัวเราเมื่อกเราเป็นพระพุทธเจ้าบอกให้เราเอาเสานนะรเลีลำแช่งตัวเองต้องบินทบทัตฉันนะการเลี้ยงชีวิตด้วยลำแช่งตัวเองบินธบัตอนี้เราก็เลี้ยงชีวิตของเราชีวิตพรหมจรรย์นเน่ยไม่ใช่เลี้ยงด้วยข้าวปลาเลี้ยงด้วยจิตขันได้ธทำคือธรรมะคือศีลคือสติคือสมาธิคือปัญญา ให้มันงอกมันงามเดี๋ยวนี้พงมาจารของเราไม่งอกไม่งามไม่เจริญเติบโตความเป็นผูกพบภูมิต่างๆมันเจริญขวัวเจริญขวัวทำดีได้ยากทำชั่วได้ง่ายไหลไปตามความชั่วถ้าเราไม่มีสติจะไม่เห็นนะโดยเพราะความคิดเนี่ยที่มันเกิด ความชั่วที่เกิดจากความคิดเนี่ยเป็นเรื่องหยาบที่สุดเลยเราดึกว่าความหยาบคือเรื่องของกายถ้าไปด่าเขาไปพูดตั้งวาจาไปลักไปขโมยเขาจึงค่อยว่าเป็นเป็นบาปมันเป็นเรื่องหยาบเพราะเห็นได้ก่อนที่ไปลักของเขาอะไรมันสั่งก่อนใจมันสั่งก่อนอะไรใจมันสั่งอะไงเมราะมันมีสติทำไมไม่มีสติเพราะเราไม่สร้างเอาไว้เมื่อก็เลยสั่ง เราก็เติบเป็นทาตเป็นขี้ข่าของความสั่งป่าเถื่อนนี่มันเสียเปรียบมันมามากแล้วความหลงความโกรธความทุกข์นะเราจึงมาดูมอรู้สึกตัวมารู้สึกตัวพอเราเจอเนี้ยก็เอาอันนี้กันแล้วหลักอย่างมันอยู่ตรงนี้ถ้าจะเปลี่ยนเอาแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้ เปลี่ยนร้ายเป็นดีก็เปลี่ยนตรงไหนถ้าเรารู้สึกตัวอยู่มันก็ทําความดีแล้วถ้าเรารู้ตัวอยู่มันก็ละควเมชั่วแล้วถ้าเรารู้สึกตัวอยู่จิตเขาบริสุทธิ์ไม่ได้วงบอกค่ามนคนยิ้มไปไหนมันอยู่กับตัวเราอยู่เฝ้าบ้านอยู่เนี้ยอยู่ทุกเมื่ออยู่นานๆเขาอยู่นานอยู่กับกายดูกายลู่กายลูกกายไปมันก็ติดมันย่อมอะไย่อมหมดกายนี่มันติดกับความรู้สึกตัวหม่ไมเนี่ย เวลาใดมันหลงเหม <à? S 1> ือนกับว่าเปลี่ยนมันให้มันรู้ต่อไปไม่ต้องไปเปลี่ยนมันน่ะมันรู้ของมันเองมันจะเปลี่ยนกันเองมันไม่เอาความหลงความทุกข์ก็ไม่เอาความกลัก็ไม่เอามันจะเปลี่ยนเข้ามันเองไม่ต้องให้คนมาบอกอย่ากลัเธอเพื่อนเนอะอย่ากลัเธอไม่กลัวไมได้ไม่กลัวไม่ได้ผมว่าเราเป็นหมาเอ้าเราก็ไม่เป็นหมามันเขาว่านะ ถ้าเราเป็นหมาจริงก็ควรจะโกรธเลยพอเขาพูดปับ๊บเราเกิดทางกันโอ้เสือเปียวรู้เขาว่าเราเป็นหมือก็เป็นหมาสันติเราไม่เป็นหมาเลยคนที่พูดอย่างนั้นเขาไม่รู้เขาจะพูดเข้าไปเราลู้กว่าเขาถ้าคนเดืงโกรธเราก็รู้กว่าเขาคนที่โกรธคนที่ทุกข์เนี่ยเขาไม่รู้หรอกงั้นอาจารย์พยอมกมาโกรธเหมือนเลยโกรธ มันโง่โมโหเหมือนบ้าจาันไปชอบอะไรยิ ง, งๆเลยเคยโกดไหมเป็นไงหน้าสวยอย่างนี้ไหมเวลาเลยกดไปสอ่องเก้ามันะกระจกดูสวยมันไม่สวยเลยนะเออ ม, มันบ้าจริงนะโง่อยิงๆเราควบทุกเมย์ใส่กับเรานอนไม่หลับเป็นคืนเป็นวันกันไงโง่อยิงนะ่ง เราจึงมันรู้วันจ้ารู้มีสติถ้าไม่มีสติจะไม่รู้เลยพ่อมีสติเข้าไปมาใช้รู้ทัเพาะเรื่องนี้มันรู้อะไรที่มันเกิดในการใจเราล่ะรู้รูปรู้น้ำรู้บุญรู้บาปรู้รูปทุกรู้น้ำทุกรู้รูปโรครู้น้ำโรคอาทีพมันเป็นทุกข์แต่มันขุดคุยเอาให้แหลกไปเลยคำว่าทุกข์นะจนมันไม่มีที่หลบที่ซ่อน ทุกหน้าเห็นความทุกข์ในได้เปลี่ยนความทุกข์เป็นความรู้จึกตัวมันโอ้ยคิดถึงพ่อคิดถึงแม่นะแต่พ่อก็ตายไปแล้วถ้าพ่อยังไม่ตายจะไปพูดกับพ่อนะแต่แม่อยู่ไปพูดกับแม่เลยเห็นทุกเห็นวิธีความดับทุกได้เปลี่ยนได้เห็น โลกที่เกิดกับลูกเห็นโลกที่เกิดกัดน้ำโลกที่เป็นโลกไผ่ไข่เจ็บโลกที่เกิดของสม บ, บัิคือสังขารโลกแผ่นดินฝ้าอากาศมันก็เป็นคู่กันกับกายเหมือนริมดวงอาทิตย์เราก็ร้อนมีรองฝนเราก็หนาวมีป่าไม้ ก, ก็เย็นหนอ่อยอ่ามันก็หนีไม่พน้นเพราะชีวิตเรามันเกี่ยวข้องกับวัตถุอาการต่าง เรียกว่าอาการวัตถุต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเรามันมากเหลือเกินคำพูดคำจาชื่อเสียงแหล่งนามเป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมเป็นสมมติปัญญาขึ้นมาก็ใช่กันหลงไปเลยในสมมุติปัญญาหลงไปเลยหลงในสมมติหลงอันที่เป็นวัตถุคนตั้งขึ้นมาไม่พอบ้านหลงจากนามาทำที่มันเกิดจากจิตขึ้นมา สมมติว่าชอบสมมุติว่าไม่ชอบเลยนะของอย่างเดียวก็ชอบของเดียวไม่ชอบความร่างกายเป็นกวาวิชาไปบ่าจีตเกียดชังกันไม่ถึดมันมันเป็นอย่างนั้นอันสมบูรณถ้าเราไม่รู้มันมันก็เป็นหอกเป็นดาบสองคมทท่มแทงเราเพราะนั่นอะไรทเป็นสมมติทั้งหลายนี่ยโอ๊ยมันแตกฉาน มันลุยเลยความรู้สึกตัวเหมือนพิาพากษาตุลาการอาหาเรื่องที่เกิดความไม่นทําหาข้อมูลที่เกิดความธรรที่เกิดความไม่เป็นธรรมให้ได้ความเป็นธรรมเกิดขึ้นในสังคมท่านจึงเรียนมาอยู่นี่ก็มีพิพากษาตุลาการอาอยัเนี้เรียนมาหาได้ความเป็นธรรมใครผิดใครถูกก็ตอบป้อนอะไรเลยในชีวิตเราเนี่ยก็เหมือนกัน สัษฎีธรมจิตญาติเหมือนพิพากษาตุลาการที่เกิดความเที่งธรรมในกายในใจเราเมื่อเกิดความเที่ยงธรรมในตัวเราเกิดเที่ยงธรรมในจิงอื่นวัตถุอื่นนะนะจริงๆน่ะเกิดความเที่ยงธรงนนะนะรนะเม เ, เกิดความเห็นใจเกิดเมตตา ก, กุณามาแทนที่ก่อนอยินดียินไล่พอใจไม่พอใจพมมันมีคนทําให้เกิดขึ้นแล้วเมตตาออกมา ความพอใจความไม่พอใจสิ้นซากไปเลยไม่มีเชื่อที่จะมาเกิดกับชีวิตจิตใจเราอมีแต่เมตตากรุณาคิดจดิตใจประกอบด้วยเมตตาพูดจดิตใจประกอบด้วยเมตตาทําจิตใจประกอบด้วยเมตตาทั้งต่อหน้าและหลังของมนุษย์ทั้งหลายของจัตุรทั้งหลายไม่ใช่เสือแจ้งแจ้งทำเนี่ยมันดีขนาด น, นี้สันติสุขสันติภาพเกิดขึ้นมาในยุคเราเนี่ยนับหนึ่งจากตัวเรา ลองดูเสีมารับผิดชอบด้วยกันเอะอย่าปล่อยให้ใครอย่าไปอ้งอางเองอ้างใส่คนอื่นทั้งต้นจากเราเนี่ยยังเป็นหนุ่มยังเป็นสาวมีความรู้มีสมองเยอะยะหลเคยคิดแล้วนี่จะไงเป็นโยมใช้พระสงฆ์บางทีนี่มนพระมาอยู่บ้านต้องจ้างนะหาจ้างพระมาอยู่บ้าน พอเข้าขึ้นเล่าขึ้นยุ่งขึ้นฉางแล้วต้องหาบเข้าออกไปวัดย่าจินข้าวเดียวขึ้นฉางนะ่ะห้ามห้ามไปจินต้องเอาไปถวายพระ ก, ก่อนเดือนสามขึ้นสามค่ำเป็นระนันนะชาวบ้านหาบข้าวไปให้วัดโกงไปเดินไปนะแล้วก็จึงเอาเข้าวไปให้พระแล้วจึงบาจินข้าวจึงตักข้าวมาจินได้ ถ้าข้าวมันขึ้นฉางก่อนกลัวจะถึงวันเดินสามแลมสามคำขึ้นสามคำแลมสามำขึ้นสามคำเดินสามเขาก็เหลือข้าวไปที่อื่นไว้จินนอกจากนันก็เจ็บเลยทีป่ประตูเอาเอาเอาเอาต้นโคนใบโคนใบยอเอาเกจลิ่นเนบไว้กับประตูฉางเวลาจะตักข้าวมาก็อบอ กินอย่าให้บกจกอย่าให้ลงก็นั่งหลงก็นั่งลงเวลากินข้าวเอาข้าวไปให้พระพระก็ขายเอาได้เงินเป็นหมื่นเป็นแสนเราก็ดีใจว่าเราได้บุญเอาเงี้แล้วหลวงพ่อไปเห็นไปลักปลาสระชาวบ้านพระชิวัตรหลวงพ่อไปหาควุยเอิ <c oughs> ผ้าเหลืองกองอยู่ขอบสระไปดูสิเพื่อนเราพูดอนเด็กนะมันช่ำใจเหลือเกินไปเอ้าวผ้าเหลืองอะไรมาอยู่ในวัดย่ำค่ำตางทุนาเข้าเสร็จใหม่ๆไปเดินไปดูพระงมป่าขึ้นทิ้งขึ้นโคกโตโขดดิ่งอยู่เพื่อนดูดอู้อุ้ยเราเป็นยมยังไม่กล้าเลยท่านเป็นพระทำไมมึงก้าสัะบัยนี้คิดเล่าไปอาเสืใคร นั่นแหละทำให้เรารับผิดชอบเรื่องนี้จริงๆกอาจจะไปเมื่อไปใครรับผิดชอบอจารย์เป็นสานกดเท่า น, นี้นะหนักหนักแล้วพ่อ ก, ก็หกรอบแล้วมาช่วยกันพวกเราทุกคนมาช่วยกันไปมีสติเอากายไปทำความดีเอากายเป็นรักความชั่ว เอาใจไปทำามดีเอาใจไปทักความชั่วมันก็เกิดขึ้นด้เนะี่ยถ้าทำนี่เรื่องทำดีถ้าทำอย่างนี้นก็ทำชั่วนะเอาไล่สั่งนะมันทำอย่างนี้อ่าเดี๋ยวเอาสั่งนะมันทำใจสั่งมันทำอันนี้ไม่รู้เรื่องหรอกว่าใจมันสั่งก็ทำเอาปืนมายิงเตร่ก็ไเอาเชือกวางแขนขอก็ได้ฆ่าคนหนึ่งก็ได้ฆ่าพ่อฆ่าแม่ คมเกินลูกในท้องในใจได้ท่าใจมันสั่งรายไม่รู้อะไรพอมาเห็นลูปเห็นหนามโอ้ยสงสารไม่มีใครเคยช่วยมันเลยบุดีก็สูบสูบไหมบุรีอย่าไปสูบอย่าไปสูบนะโอย้ยเสียเปรียบพ่วงชั่วร้ายมา30ปีเลยอายุเท่าไหร <c oughs> ่เนี่ยเรงไม่โทษเยอะตื่นแต่เด็กสิกแต่หนุ่มเนี่ย อ้ยคนหัวโกคพูดเรื่องเข้ามามันหน้าที่เราจะต้องอตื่นตัวเลยล่ะทุกวันนี้เป็นยุคทองยกคำแล้วถ้าโกดอยู่ละสมัยแล้วนะถ้าใครโกดอยู่ใครใครทุกอยู่ถือว่าละสมัยกันจริงๆถอยหลังเข้าของไม่แล้วย้อนยุคไปห้าสิบปีเดี๋ยวนี้ตั้งแต่ห้าสิบปีมานี้ยเจริญในการปฏิบัติธรรมกันมาก นะพวกเราอย่าให้ด้อยกว่าใครกระดรตั้งไห น, นรู้เอาไว้รู้ไว้เพิ่มเติมความรู้จุดตัวกับชีวิตของเรานะเนี่ยหลวงพ่อเขาฟังรู้เรื่องไม่ลื่นแข็งนะนะลื่นมันข็งมันตายคืนไปยังไม่ดีเลยเหมือนกับคนอะไรแล้วก็มาเป็นวัดไม่มาทางวัดหลายวันก็จบลงแค่นี้อาจารย์ไม่สารีเลย เออราอาจารย์สารฝากคับพระ